เคยรู้ทันนะใจเรามันจะหนีไปหนีมาเรื่อยๆดูออกไหมเวลาใจมันหนีไปรีบรู้ไวๆนะรู้ช้ามันก็แอบไปทำงานไปทานานความทุกข์ทางใจทั้งหมดจะเกิดตอนเผลอตอนนี้ดูออกไหมแค่รู้สึกตัวนะความทุกข์มันก็ไม่มีละเพราะว่าทันทีที่เรารู้สึกตัวจิตมันเป็นกุศล จิต ท, ที่เป็นกุศลมีความสุขจิต ท, ที่มีความทุกขนะ์นั่นเป็นอกุศลและจิตเกิดที่เผลอดูออกไหมใจหนีบับบับ๊บบันะ๊ะให้รู้ไปเลยอย่าไปบังคับนะระวังเรื่องบังคับไ้อีกเรื่องหนึ่งรู้สึกไหมว่าอย่างบังคับมันเออนั่นแหละนะให้คอยรู้ทันนะอย่าไปเพ่งเอา คือการปฏิบัติที่ผิดนะั้นมีสองอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งเพ่นน ง, เพงไว้พอเผลอไปเราก็ไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้นันมันมัวไปรู้อย่างอื่นแลถ้าเพ่งไว้กายกับใจก็แข็งทื่อนิ่งนิ่งผิดความเป็นจริงหลักของวิปัสสนาให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อย่างที่เขาเป็นเขาเป็นยังไงก็ตามรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าไปจ้องเอาไว้ก่อน ถ้าเราคิดถึงการปฏิบัติทำแล้วเราก็ลงมือจ้องไว้<ม>จะกลายเป็นนั่งเฝ้าไปนะการตามรู้กระดักรู้ไม่เหมือนกันนะสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าบอกให้ตามรู้กายรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ไปคือมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปเริ่มต้นด้วยอยากปฏิบัติถ้าอยากปฏิบัติก็นั่งเฝ้าไปนั่งจ้องนะนั่งรอดูว่าเมื่อไหอไร่จะมีอะไรให้ดูไม่ถูกแล้ แโยยังไม่เลิกแล้วคุณนี่หลับภาวนาบ้างเปล่าเคยเรียนไห ม, ไ ม, ไมจะนั่งบ่อยไม่นั่งบ่อยก็นั่งทั้งวันแหลนะเพราะงั้นเรานั่งอยู่รู้สึกนะเห็นรูปเห็นร่างกายนี้มันนั่งอยู่นะอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหม เมื่อไหร่เราใจลอยเรานั่งอยู่เราก็ไม่รู้เราเดินเราก็ไม่รู้นะเรายืนเราก็ไม่รู้นั่นเราอย่าใจลอยเรานั่งอยู่ก็ค่อยรู้สึกนะเห็นร่างกายที่มันนั่งเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวมันกระดุกกระดิกนะคอยรู้สึกไว้อย่าไปลืมมันค่อยรู้กายคอยรู้ใจใจของเราก็เคลื่อนไหวทั้งวัน่ะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย อย่างจิตใจพวกเราตอนนี้กับตอนมาถึงวัดใหม่ๆก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตใจของพวกเราตอนนี้มันเริ่มสงบสงบมันนิ่งๆตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันมีความต่างนะตอนตื่นนอนใหม่ๆกับตอนนี้ความรู้สึกจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกของเราขนาดนี้กับเมื่อวานก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆให้คอยรู้ไปจิตใจเรามีความรู้สึก ที่เปลี่ยนแปลงนะคอยรู้เรื่อยๆรู้สบายๆรู้เป็ น, ปนคนมองนอกเป็นคนดูจิตใจของเรามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการกระทบนะเช่นตาเรามองเห็นตาเราเห็นของสวยของงามใจเรามีความสุขมันมีความชอบนะไปเห็นของไม่ดีเห็นสมมติเห็นถูกหมาถูกรถทับเละเทะเห็นแล้วสยดสยองนี่ความรู้สึกสยดสยองมันเกิดจากการเห็น หูเราได้ยินได้ยินเขาชมเราใจเรามีความสุขมีความพอใจได้ยินเขาว่าเราความโกรธมันเกิดขึ้นมาตาเราเห็นรูปความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปเรื่อยๆบางทีคิดไปเรื่องเก่าๆนะควรแก่ๆหน่อยคิดเรื่องเก่าๆแล้วมีความสุขเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนที่แรกเฉยๆตอนนี้มีความสุข หรือเด็กๆคิดถึง อ, อนาคตแหมฝันหวานอ ย, าวาอย่างนี้มีความสุขหรือบางทีคิดถึงเรื่องอดีตไม่ดีเศร้าหมองเสียใจใจของเราเปลี่ยนแปลงไปตามการคิดของเราเรานั้นใจนี้มีธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการกระทบตามมองเห็นตามองเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยน ผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวผู้ที่เข้าไม่ปฏิบัติเนี่ยเพราตาเขาเห็นสมมติว่าอย่างหนุ่มโยงเงี้ยมองเห็นสาวสาวสวยใจมันชอบคนทั่วๆไปก็จะมองแต่สาวแต่ถ้านักปฏิบัติก็จะรู้ว่าอ๋อใจเราไปชอบเขาละนี่มันจะมารู้ทันตัวเองจะ ต, ต่างกันนิดเดียวกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติคนไม่ได้ปฏิบัติมัวสนใจสิ่งอื่น นักปฏิบัติจะสนใจอยู่ที่กายกับใจของตัวเองหรือเราได้ฟังเพลงนี่ชอบชอบร้องเพลงใช่ไหมชอบเล่นดนตรีได้ฟังเพลงมีความสุขรู้สึกมีความสุขคนทั่วๆไปฟังเพลงแล้วเพลิดเพลินไปเลยไม่รู้ว่ามีความสุขต่างกันนิดเดียวของเรานักปฏิบัตินยะเราให้คอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆหน่อยรู้เท่าที่รู้ได้เดี๋ยไม่ต้องรู้ตลอดเวลา รู้เท่าที่รู้ได้ถ้าคิดจะรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นนั่งจ้องเอาไว้นั่งเฝ้าไว้ซึ่งผิดนะอย่าไปนั่งจ้องสังเกต ด, ดูจิตใจของเรามีการทํางานอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมใจไม่แอบทํางานตลอดเวลาไม่ห้ามนะให้ตามรู้ไปมันเปลี่ยนแปลงให้เราดูอยู่แล้วการที่จิตใจหรือร่างกายมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันแสดงธรรมะให้เราดูมันแสดงความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันแสดงการทนอยู่ไม่ได้คือทุกขัง มนแสดงอนัตตาคือการที่เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตามรู้กายตามรู้ใจเนืองเนืองในที่สุดก็เกิดปัญญาคือปัญญาก็คือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเหล่านี้แหละนะว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยความทุกข์ทางใจจะค่อยๆหายไปนจะค่อยๆลดลงลดลง ความทุกข์ทางใจมันเกิดจากเราไปยึดถือกายยึดถือใจว่าของเราแล้วก็ดิ้นรนอยากให้มันดีตลอดอยากให้มันสุขตลอดความทุกข์มาเราก็เกลียดมันพยายามดิ้นหนีความทุกข์ไปจิตใจที่มันต้องดินดนด้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาทั้งวันมันดิ้นทั้งวันนะหาความสงบสุขไม่ได้เลยสังเกตที่ใจเราสติใจของเราดิ้นไปเรื่อยๆพอจะดูออกไหมใจของเรามันดินดน้นรน เดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังเดี๋ยวก็หนีไปคิดนะเดี๋ยวก็อยากอย่างง้นอยากอย่างนี้นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงใจมันดิ้นโดนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยค่อยรู้ทันมันไปเนีหนีไปคิดแล้วนะหนีไปคิดเพราว่าหนีไปคิดสังเกตไหมเราไปดูเขาเราเห็นเขาใช่ไหมแต่เราลืมตัวเราเองนึกออกไหม นั้นคนเราจะลืมตัวเองตลอดวันเลยสมัวสนใจแต่สิ่งอื่นๆลืมตัวเองอจะถามอะไรก็เชิญนะเห็นอะไรนะเป็นไปไม่ได้ล่ะคนละขณะกันธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นอย่างมันไปรู้เวทนาไปรู้ความเจ็บนะ แกไปรู้ความคิดซึ่งเป็นอารมณ์บัญญัติเนะี่ยคนละ่านกันไม่เห็นพร้อมกันหรอกแต่มันเห็นสลับกันมันเปลี่ยนแปลงเร็วจิตใจของเราเปลี่ยนเร็วจิตใจของเราไปรู้เรื่องที่คิดนี่ก็อย่างหนึ่งนะจิตใจไปรู้เรื่องที่คิดเช่นคิดจะไปเที่ยวคิดจะไปดูหนังอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การปฏิบัติเป็นเรื่องอย่างชาวโลกเขาคิดกันใครใครคิดก็รู้เรื่องที่คิดทุกคนแหละ แต่ถ้าเราเห็นอาการที่จิตคิดจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดนี่เห็นอารมณ์ปรมัสต์ที่เราเห็นจิตใจของเราว่ามันแอบไปคิดนะอย่างนี้ใช้ได้เป็นการทำวิปัสสนาหรืออย่างเราเห็นความเจ็บเห็นเวทนาเวทนานี่เป็นของจริงเป็นอารมณ์ปรมัต์นะรู้เวทนานี่เป็นการทำวิปัสสนาได้แต่รู้เรื่องที่คิดนี่ไม่ใช่นะเรื่องที่คิดเป็นสมมติบัญญตัต รู้อาการที่จิตคิดในใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดอะไรเพลินๆ เ, เราเกิดนึกขึ้นได้สติระลึกขึ้นได้ว่าอุ๊ยเผลอไปคิดแล้วนะความคิดจะขาดสะบั้นไปเลยความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นมาแท น, นแต่ถ้าเรามัวไปนั่งดูเรื่องที่คิดนะใจเราจะหลงส่งออกไปดูความคิดนะมันจะไม่ใช่การรู้สึกตัวที่แท้จริงมันจะไปรู้เรื่องที่คิดไม่ใช่รู้สึกตัว สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกระใจรูปกัะ น, นามนี่เองนะแล้วต้อรู้สึกอยู่ที่ตัวเองคือรู้สึกที่กายที่ใจนี้ไงยโยทําไมโยทั้งอกทั้งใจือซ้อมบ้างไหมขยันปฏิบัติหรือเปล่าทําไมมาเร่งความเพียรตอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> หรืันเคร่งเครียดนั่งตรงนี้ อะไรนะเวลาเครียดได้ในเช้าเลยพอคิดจะมาก็เครียดเลยแบะ <c oughs> มีนะบางคนพอคิดจะมาก็เครียดแล้วโย <c oughs> ดูออกไหมว่ามันไม่เป็นธรรมดาดูออกใช่ไมโยอยากให้มันเป็นธรรมดาหรือเปล่าละ่ะเนี่ยที่พยายามทาอยู่เนี่ยอยากห้แก้มันดูออกไหมอยาาไปอยากแก้มนนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แก้มันนะท่านบอกทุกข์ให้รู้ ทุให้รู้ก็คือรูปกับ น, นามกายกับใจให้คอยรู้มันไปตามที่มันเป็นมันเกรงเกรงรู้ว่ามันเกรงมันอยากจะเลิกเกรงรู้ว่าอยากจะเลิกเกรงนะรู้ไปรู้อย่างที่เขาเป็นทําใจให้สบายสบายอา๋อทาใจสบายก่อนอทําให้สบายนะเห็นไหมว่าแค่นี้มันก็ชักจะหายเกลรงแล้วนะยิ่งพยายามไปแก้มันนะยิ่งยุ่งใหญ่อย่าไปเที่ยวหามันนะเที่ยวหามัน รู้สึกไหมรู้ทันรู้ทันจิตใ จ, จแอบมีพฤติกรรมคือเที่ยวสแสวงหารู้ว่าเที่ยวสแสวงหาของคุณเคยมาไหมนะยคงจำหน้าได้อยู่ <c oughs> เป็นไงรู้เรื่องอยัง <c oughs> วอกแวกก็ไม่เป็นไรนะวอกแวกบ่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่อย่ากวกแวกนานคืออย่าเผลอไปค่อยรู้สึกไว้ใจของเรา เป็นยังไงก็ได้ดีก็ได้ร้ายก็ได้นะอย่างจิตเกิดกิเลสก็ได้เกิดกิเลสแล้วเรารู้ว่ามีกิเลสใช้ได้ละดังนั้นะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลก็ใช้ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลก็ใช้ได้นะใช้ได้ทั้งนั้นนะไม่ยากอะไรนะการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยมันก็คือการที่เราคอยรู้ตัวเองไปคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจรู้ใจไม่ได้ก็มารู้กาย รู้กายไม่ได้ก็รู้ใจไปถ้ารู้ไม่ได้ทั้งกายทั้งใจก็ทำความสงบทำสมถะเห็นไหว้พระสวดมนต์ทำไปใจหนีไปทราบไหมของคุณยังจงใจนะดูออกไหมมันยังจงใจปฏิบัติค่อยๆปรับตรงนี้ค่อยๆรู้ทันวิธีปรับไม่ใช่พยายามแก้นะอย่าพยายามแก้ให้รู้ทันว่าจงใจมองไปที่ความรู้สึกจงใจออกไหม ถ้าดูไปถูกต้องเนะี่ยความรู้สึกจงใจหรือโลภเจตนาตัวนี้จะดับพอนะโลภเจตนาดับคือปัญหาดับนั่นเองนะรู้จักใจลอยไหมนะใจลอยรู้ว่าใจลอยนะเนี่ยแค่คอยรู้ทันรู้สึกไหมมันเผลอแวบๆไปนะใจมันเผลอไปเผลอร้วบเผลอนะไม่ห้ามปฏิบัติไม่มีคำ ว, ว่าห้ามเลย เราพระพุทศเจ้าสอนบอกให้รู้ตามความเป็นจริงงั้นเราไม่ได้ห้ามมันหรอกคอยรู้แปลกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้อย่าใจลอยกันแล้วกันสิ่งที่ผิดมี2องงานใจลอยไปกับนั่งเพ่งเอาไว้มีสองงานพูดภาษาบาลีหนึ่งก็เรียกว่าการสุขาริการุโยคคือหลงไปหากิเลสนะหลงไปตามอำนาจของกิเลสการสุขาริการุโยคเที่ยวแสวงหาความสุข ด้วยการดูด้วยการฟังด้วยการลมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสด้วยการคิดนึกเรื่องที่สบายใจอะไรอย่างนี้พอเราเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกไปเราก็ลื่มกายเลื่มใจตัวเองอีกอันนึ่งก็นั่งเพ่งนั่งบังคับนั่งจ้องนั่งตรัรถถย ไม่ต้องไปหามันหรอกว่าทางสายกลางอยู่ที่ไหนนะถ้าไม่เดินเบี่ยงซ้ายไม่เดินเบี่ยงขวานะมันก็กลางเองแหละเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็คืออันหนึ่งก็คือหลงตามกิเลสไปลืมตัวเองเช่นหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดลืมตัวเองนะเวียงมาอีกข้างหนึ่งก็คือนั่งจ้องไว้นั่งเพ่งไว้นั่งกําหนดนั่งปกคองนั่งบังคับนั่งควบคุมสังเกตในพวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่พอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับ บังคับกายบังคับใจนะเคยนั่งแล้วกระดุ ก, กระดิกได้ก็นั่งตัวแข็งทื่อเลยนะเริ่มนั่งก็นั่งผิดปกติแล้วนะหายใจมาตั้งแต่เด็กไม่เหนื่อยมนะพอเริ่มมากําหนดลมหายใจเหนื่อยแล้วนมะันทําอะไรที่ผิดธรรมชาติไปหมดนะงนั้นะใจของเราก็จะแข็งแข็งนะร่างกายก็แข็งแข็งมันะไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงใจลอยรู้จักใจลอยไหม เออรู้จักใจลอยก็ดีแล้วถ้าคนไหนใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะปฏิบัติได้เกินหกสิบเปอร์เซ็นล้วเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาใจลอยเนี่ยเยอะที่สุดเลยวันหนึ่งเราใจลอยบ่อยอใจลอยเยอะใจลอยคือลืมตัวเองไปหลงไปคิดบ้างคิดอะไรไม่รู้เรื่องบ้างบางทีก็รู้เรื่องที่คิดแต่ก็ลืมตัวเองไปอย่างขณะเนี้ยสองคนรู้สึกไหมที่นั่งคู่กันสองคนเนี้ยรู้สึกไหมมันคิดไปเรื่อยแล้มันลืมตัวเองนะ คิดไม่เลิกนะคิดมากยากนานนะเรียนธรรมะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากรู้สึกเอาวนะิปัสสนาเนี่ยใช้รู้สึกเอาวิปัสสนาไม่คิดเอาหรอกนะคิดเอามันเป็นแค่จินตามะยะปัญญาเป็นปัญญาเกิดจากการคิดไม่พอวนะิปัสสนาใช้รู้สึกเอานะมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวนะ รู้สึกลโลภโกรธหลงรู้สึกเอาทั้งนั้นรู้สึกเอาทำอะไรโยอย่าจงใจนะอย่าจงใจเอาว่างไงลืมชื่ออีกแล้วสกาย อ่าดีแล้วนะอืมเออมันต้องแยกกันอยู่นะอืมใช่มันไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนนะ เห็นรูปเหมือนเคลื่อนเออรูปไม่ใช่เราอ่ะนะมันต้องอย่างนั้นแหละนะทำถูกละเรียนกี่ครั้งเนี่ยทำได้ดีจำได้ครบีก็รู้สึกว่าถึงนี้ดีแล้วนะใครรู้สึกกันดีแล้วล่ะจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลย คนทนนิดหนึ่งนะอ่านหรือฟังซีดีที่อาจามาพูดพูดแ้ทนทนนิดหนึ่งฟังฟังไปเรื่อยเดี๋ยวก็แจ้งขึ้น ม, มรรานและแต่จริตคนบางคนอ่านหนังสือแล้วไม่รู้เรื่องบางคนฟังเอารู้เรื่องบางคนชอบอ่านแล้วแต่จริตนะพวกนั้นเป็นแค่เค ร, รื่องมือเท่านั้นแหละที่สําคัญก็คือเราอ่านหนังสือหรือเราฟังซีดีเนี่ยนะ เพื่อจะย้อนกลับมาดูสภาวะจริงๆให้ออกกระทั่งเราฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ก็เพื่อจะให้ดูสภาวะออกเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราดูสภาวะออกแล้วสภาวะนั้นจะแสดงธรรมะให้เราดูอย่างพอเรามีสติตื่นขึ้นมาแท้จริงเราเห็นแล้วรูปไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมไม่มีน้ำหนักอะไรเลยไม่มีน้ำหนักในใจเลยรูปเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกทั้งหลายดูออกไหมไม่ใช่ใจเราหรอกลบโกรนหลงทั้งหลายเป็นของที่แปรปลอมเข้ามาจิตเองก็เกิดดับทางตาทางหูทางใจเปลี่ยนแปลงทั้งวันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวคอยรู้ไปเรื่อยรู้เล่นๆนะที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วล ะ, ละดีแล้วละ ใช่จิตเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่ไปเป็นคนไปรู้สังเกตไหมไอ้ตรงที่ทยานไอ้ตัวที่ทยานก็ถูกรู้นะ อ, อย่าไปหลงว่าเป็นจิตนะสติมันรับรู้นะ เพราะงั้นอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยความโกรธกับจิตก็คนละอันกันนะแต่บางทีความโกรธก็ไหลเข้ามาย้อมจิตนะบางทีจิตไหลลงไปแช่ความโกรธอย่างเงี้ยบางทีก็ต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่นะใครดูไปมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องจงใจเลือกอันใดหนึ่งนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราดูเพื่อให้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราต้องการแค่นี้เองไม่ต้องการเอาดี มงันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องแยกกา ก, กิเลส ต, ตลอดวันมันจะเป็นยังไงก็ได้ดูไปให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนที่เห็นรูปไม่ใช่ตัวเรารูปดูง่ายรูปดูง่ายทันทีที่รู้สึกตัวเป็นก็จะเห็นรูปไม่ใช่ตัวเราะแต่นา ม, มาทำคือจิตใจนี้ดูให้ว่าไม่ใช่เรายากเพราะมันคุ้นเคยว่าเป็นเราแต่ถ้ามันไม่ขาดนะ ดูรูปแล้วรูปไม่ใช่เราแล้วสักกายที่ตีไม่ขาดนะยังไม่พอนะ้องเห็นถึงจิตใจมันไม่ใช่เราเมือนจะขาดยอมรู้จักใจลอยไห ม, ไมเออนะใจลอยคือขาดสติปปนั่นเองนะภาษาพระใจเราห้ามไม่ได้มันจะลอย แต่พอมันลอยแล้วเรารีบรู้ไวๆว่าอ้าวใจลอยอีกแล้วสึกอยู่เท่านี้พอแล้วลองไปทำดูสัก3ามเดือนนะแล้วถ้าทำขยันดูทุกวันทุกวันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเพราะคนในโลกมีแต่คนหลงลืมตัวเองทั้งวันใจลอยทั้งวันถ้าเราหัดรู้สึกหัดรู้สึกนะเราจะตื่นขึ้นมาถ้าตื่นได้จะพว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้านอัศจรรย์จริงๆ